ขอยกมาเพื่อช่วยกันพิจารณาเป็นตัวอย่างบางทีจะเป็นเครื่องเทียบให้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างดังนี้กลุ่มที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละอวิชชาได้วิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะสำรอกอวิชชาได้เพราะวิชาเกิดขึ้น เคยย่อมไม่ปรุงแต่งปุญญาพิสังขารไม่ปรุงแต่งอปุญญาพิสังขารไม่ปรุงแต่งอนเนียนชาพิสังขารเมื่อไม่คิดปรุงแต่งไม่คิดเสริมแต่งย่อมไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่กระวนกระวายเมื่อไม่กระวนกระวายย่อมปรินิพานประจากษ์เองทีเดียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว รมาจันได้อยู่แล้วกรณียะได้ทำแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกคำว่ากรวนกระวายในที่นี้มาจากคำว่าปริตัสติคำนามเป็นปริตัสนากินความถึงความสะดุ้งสถานความหวาดเสียวความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายความวันใจกังวล ความผวงความร้อนรนวุ่นวายใจอีกแห่งว่าหากเธอเสวยเวทนาที่เป็นสุขก็รู้ชัดคือรู้เท่าทาันว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นตนไม่ได้สยบรู้ชัดว่า สุขเวทนานั้นตนไม่ได้ติดใจผัวพันในวงเล็บอนาพินันทิตลาละถึงหากเธอเสวยเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้ชัดคือรู้เท่าทันว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงตนไม่ได้สยบตนไม่ได้ติดใจผัวพันหากเธอเสวยสุขเวทนาก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวหากเธอเสวยทุกขเวทนา ละถึงหากเธอสวยอทุกขมสุขเวทนาก็สวยเวทนานั้นยังไม่ถูกมัดตัวเธอนั้นเมื่อสวยเวทนาที่สุดเพียงกายคือเวทนาทางทวารห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตคือเวทนาทางใจก็รู้ชัดว่า เราสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตเธอรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทำลายเวทายตานี้คืออารมณ์ที่ได้เสวยทั้งหมดอ น, นะพินันทิตะคือซึ่งไม่ได้ติดใจผัวพันจักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองเหลือไว้แค่เรือนร่างอีกแห่งว่า ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าบุรุษยกหม้อร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางไว้ที่พื้นดินเรียบส่วนที่เป็นไอร้อนพึงสงบหายที่หม้อ น, นั่นเองดินเผาคือตัวหม้อคงเหลืออยู่ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย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 ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโพลงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันสิ้นไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันไม่ใส่ไส้อื่นหมดเชื้อย่อมดับไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสวยเวทนาที่สุดเพียงกายก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต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 สรีระธาตุคือซากกายจะคงเหลืออยู่ส่วนท่อนแรกต่างกันหมดทุกแห่งเพราะแสดงวิธีปฏิบัติแบบต่างๆกันข้อความตอนท้ายว่าจากเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองในที่นี้หมายถึงอายตนะสิบสองหมายความว่าหมดพิษสงหมดอิทธิพลอยู่เพียงแค่ที่อายตนะส2บสองเท่านั้น อย่างนี้แปลาตามนัยยะมัชฌิมานิกายอาาัตถกถาแต่ถ้าแปลาตามอิติวุติกาอากาัตถกถาสังยุตตนิกายอาาัตถกถาและอังคุตระนิกายอาาัตถกะถาต้องว่าจะเป็นของเย็นอยู่ในอัตภาพนี้เองคือไม่เลยต่อไปเกิดปฏิสนธิใหม่อีกในบาลีอีกแห่งหนึ่ง มีความต่างมากกว่าแห่งอื่นคือมีบรรยายและอุปมาแปลกออกไปดังนี้ในหนังสือท่านจัดเป็นกลุ่มที่สองของบาลีที่ยกมาทั้งหมดนะครับและมีหมายเหตุว่าความท่อนแรกของบาลีนี้แสดงปฏิปทาเผากิเลสที่เห็นผลเสร็จสิ้นตั้งแต่ในชาตินี้เป็นการย้อนคำสอนของนิครนซึ่งถือว่าบาปกรรมเก่าที่ยังให้ผลไม่เสร็จ ยอมส่งผลติดตามไปในภพหน้าภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วยอมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจำหกประการคือเธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปัชัญญะเพิ่งสังเกตความหมายของการมีอุเบกขา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 เขาตัดต้นไม้นั้นที่โคนพรั้นแล้วขุดคุ้ยเอารากขึ้นโดยที่สุดแม้เท่าต้นแฝกก็ไม่ให้เหลือเขาตัดผ่าต้นไม้นั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เป็นซิกซีกพึงลมและแดดให้แห้งและเผาไฟทำให้เป็นขี้เถ้าโปรยไปในลมแรงหรือในแม่น้ำกระแสชี่วเมื่อทำอย่างนี้เงาที่ปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้นั้น ยอมเป็นอันถูกถอนรากเป็นดุดตารยอดดวนถูกทำให้ไม่มีหมดทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไปแม้ฉันใดภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วก็ฉันนั้นยอมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจำหกประการอารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมดซึ่งมิได้ติดใจผัวพันธ์จะเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เอง เพื่อความเข้าใจรอบด้านในเรื่องนิพพานสองนี้ขอย้อนไปกล่าวถึงความพลี่คลายของความหมายนิรุ่นอัตถกถาและมะติของพระอัตถกถาจารย์อีกเล็กน้อยดังได้กล่าวแล้ ว, ว่าในบาหลีคือพระไตรปิฎกคำว่าอนุปาทิเสสนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นถูกใช้ในการบรรยายเหตุการณ์มาถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์เฉพาะอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้า แต่ต่อมาในสมัยอัทธกถาสอุปาที่เสสนิพานก็ถูกนำมาใช้ในการบรรยายเหตุการ์เช่นนั้นด้วยดังจะเห็นได้จากข้อความที่บรรยายเหตุการเดียวกันในบาลีกับในอัทธกถาเปรียบเทียบกันดังนี้ในบาลีคือหมายถึงในพระไตรปิฎกบินทบาสสองคราวมีผลเท่าๆกันมีวิบากเท่าเกัน มีผลมากกว่ามีอ น, นิสงฆ์มากกว่าบินทบาตกล่าวอื่นๆยิ่งนักกล่าวคือบิณฑบาต ท, ที่ตถาคตบริโภคแล้วตรัสรู้อนุตราระสัมมาสัมโพธิญาณและบิณทบาต ท, ที่ตถาคตบริโภคแล้วปริณิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุในอัถกถาพระผู้มีพระภาคเจ้า เสวยบินทบาที่นางสุชาดาถวายแล้วส่งปรินิพานด้วยสัอุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุเสวยบินทบาที่นายจุนทะถวายแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุ้วยความคลี่คลายของความหมายหรือวิวัฒนาการของการใช้คําทํานองนี้จึงทําให้ความหมายของนิพานทั้งสองนี้ในอัตถกาถาหลายแห่ง เน้นไปที่จุดแห่งเหตุการณ์ในชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์คือเน้นการกระทาอันได้แก่การบรรลุภาวะมากกว่าจะเน้นตัวภาวะนั่นเองวิวัฒนาการอันเด่นชัดที่ทาให้ความหมายของนิพพานสองเน้นมาที่การกระทาหรือเหตุการณ์มากขึ้นก็คือการบัญญัติคาว่ากิเลสปริณิพานและขันธ์ปริณิพาน ขึ้นใช้และกําหนดให้กิเลสปริณิพานเป็นความหมายของสอุปาที่เสสนิพานพร้อมกับให้ขันธาปริณิพานเป็นความหมายของอนุปาทิเสสปริณิพานอย่างไรก็ดีผึ่งเข้าใจว่าแม้โดยทั่วไปจะเน้นเช่นนั้นแต่อัถกถาละดีกาก็ตระหนักอยู่เสมอถึงความหมายของสอุปาที่เสสนิพาน ในแง่ที่เป็นภาวะดังข้อความที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในสอุปาที่เสสนิพนธธาตุจากอย่างพระอัตภาพให้เป็นไปคือทรงดำเนินพระชนชีพเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายคือจากทรงอยู่ด้วยทิฏ ธ, ธรรมสุขวิหารจนกว่าจะทรงบรรลุอ น, นุปาที่เสสนิพนธาตุ อระรหันต์ทั้งหลายดับไฟราคะเป็นต้นหมดสิน้นด้วยอรหั ต, ตมรักแล้วดำรงอยู่ในสอุปาที่เสสนิพ น, นธาตมีปัญญาไม่เฉยชาทั้งคืนวันพอจะริมจิต ด, ดับไปย่อมปรินิพานไม่มีเหลือด้วยอนุปาที่เสสนิพ น, นธาตด้วยเหตุนี้ความหมายของนิพานสอง เมื่อว่าตามในย่าของอัตถกถาทั่วไปจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจากัดหรือรัดตัวมากกล่าวคือสอุปาที่เสสนิ พ, พานหมายถึงดับกิเลสยังมีเบญจคันเหลือหรือนิพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตมุ่งเอาการบรรลุอรหัตผลอนุปาที่เสสนิ พ, พานหมายถึงดับกิเลสไม่มีเบญจคันเหลือ หรือนิพพานของพระอรหันต์เมื่อทำลายขันบางทีเรียกว่าดับขันมุ่งเอาการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์โดยเฉพาะอนุปาที่เสสนิพานนั้นบางทีท่านเอาคติเรื่องจรีมจิตหรือจรีมวิญญาณมาช่วยอธิบายด้วย ทำให้ความหมายของอนุปาธิเสสนิพานจำเพาะเจาะจงลงไปที่การสิ้นชีวิตของพระอระหันต์อย่างชนิดจำกัดตายตัวดินเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีเดียวสำหรับจริมาจิตดูบันทึกพิเศษท้ายบทอย่างไรก็ดีในบาลีบางแห่งที่บรรยายภาวะและความเป็นไปของพระอระหรันต์ อธิกถาได้อธิบายแยกว่าตอนนั้นเป็นสัปปะทิเสสนิพานตอนนี้เป็นอนุปาทิเสสนิพานบาลีและคาอธิบายเช่นนั้นบางแห่งก็อาจช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิพานสองอย่างนี้ประจางมากขึ้นเช่นบาลีแห่งหนึ่งว่าเพราะตัญหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงจึงนิโรธ ด, ด้วยคลายออกได้ไม่มีเหลือ นั่นแหละคือนิพพานสำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเราไม่ถือมั่นพบใหม่จึงไม่มีอัตถกถาอธิบายว่าข้อความท่อนแรกหมายถึงสอุปาทิเสสนิพพานท่อนหลังหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพาน ข้อความนี้รับกันดีกับบาลีแสดงนิพพานสองในตอนเริ่มต้นของบทนี้นอกจากหลักฐานต่างๆเท่าที่ศึกษาผ่านมาข้ั้งต้นแล้วพึงพิจารณาหลักฐานต่อไปนี้ประกอบด้วยในสุตตานิปาตะอัตกถากล่าวว่าพระหมดนันทิคือตันหา จึงเป็นสอุปาทิเศตและพราอหมดภพจึงเป็นอนุปาทิเศตในสังยุตตนิกายอธถกราว่าสัพปาทิเสสนิพานเท่ากับความไม่เป็นไปแห่งอนุปาทินักากะขันสี่อนุปาทิเศสนิพานเท่ากับความไม่เป็นไปแห่งอุปาทินักากะขันห้า ส่วนในวิสุทธิมรดีกล่าวว่าสอุปาที่เสสนิพานเท่ากับผลคืออรหัตผลและอนุปาที่เสสนิพานเท่ากับนิพานอย่างไรก็ตามพึงตรหนักในใจว่าตามที่จริงแล้วหลักฐานนิบาลีไม่ได้แสดงว่า ท่านสนใจอะไรนะักที่จะกล่าวถึงภาวะของนิพพานสองอย่างนี้จุดสนใจที่ท่านเน้นและกล่าวถึงอย่างมากมายก็คือเรื่องที่จะนําไปปฏิบัติได้เพื่อให้รู้ประจักษ์นิพพานด้วยตนเองการนําเอาเรื่องนิพพานสองมากล่าวในแง่วิชาการทียืดยาวอาจกลายเป็นการทําเรื่องที่ท่านไม่ยุ่งให้กลายเป็นเรื่องที่ยากและอาจทําให้ผู้ศึกษาคาดหมายเกี่ยวกับอัตราส่วนของเรื่องนี้ ที่มีในพระไตรปิฎกมากมายเกินความจริงไปได้เนื้อความเท่าที่กล่าวมานี้ก็พอจะให้เห็นเขาเงื่อนบ้างแล้วจึงควรยุติไว้เพียงนี้